พระบัญญัติ45ก็ภิกษุใดสอนอนุพสัมบันให้กล่าวทรรมเป็นบทบทต้องอบัติปาจิตตีเรื่องพระชาพพคีจบ